เทราธิบายในข้อสมมธิที่ท่านประสาิบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายมาถึงอวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วตามเทราธิบายว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ก็ได้แก่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 ได้ทรงสแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจนได้ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่อวิชชาดับวิชชาเกิดหรือวิชชาเกิดอวิชชาดับจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วและก็ได้ตรัสแสดงอธิบาย อริสัตยสี่ทุกข้อว่ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ทรงชี้สภาวทุกข์ตั้งตนเสชาติความเกิดชราความแกม่บรณะความตายว่าเป็นทุ ก, ทกข์ทรงชีปะกินนกทุกทุกเบ็ตเตเลททางจิตใจทั้งหลายวาสุกะความโศกความแห้งใจบริเทวะความดันจวนคร่ําครวญใจ ทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอกบายาสัความขับแข้นใจเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นสองคือความประจวบ ก, กับสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่เป็น ที่รักเป็นทุกข์ทรงที้สรุปเข้ามาเป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และทรงที้สรุปเข้ามาโดยสัตว์ว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5าประการเป็นทุกข์ก็ได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณ อันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์อริยสัจากข้อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงชี้เอาตัญหาความริ้นรนทยานอยากมีอาการเป็นการมาตัญหาความริ้นรนทยานอยากไปในกรมคือกรมคุณ รูปเสียงกลิ่นรสผลภัณที่น่ารักใคร่ปลอดถนาพอใจทั้งหลายหรือความดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกามความใคร่ทั้งหลายเพราะวะตันหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่มีภาวะทันหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจข้อนี้ด้วยความดับทุกข์ทรงคีย์เอาความดับกันหาซึ่งเป็นตัวเหตุทุกข์ดับไปหมดเป็นความดับอริยสัจข้อมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงคีย์เอามักคือทางมีองค์แปดอันแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริจชอบสองข้อนี้รวมเข้าเป็น ปัญญาศิขาดัมมาวาจาเจนจ่าชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสติคือระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิคือตั้งใจไว้ชอบ สามข้อนี้รวมเข้าเป็นกิตสิกขาหรือสมาธิเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งในที่อื่นได้มีพระพุทธธิบาบในข้ออวิชชาเพิ่มขึ้นอีกสี่ข้อคือไม่ยังรู้ในอดีตไม่ยังรู้ในอนาคตไม่ยังรู้ใน ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นสำหรับในสี่ข้อหลังนี้คำว่าอดีตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ยังไม่มาถึงไม่อย่างรู้ในอดีต ไม่อย่างรู้ในอนาคตย่อมมีความหมายหลายอย่างอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องอดีตหรือหมายถึงเรื่องอนาคตของชีวิตหรือของตนเช่นว่าในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้ว ตนเป็นอย่างไรแม้ในชาติที่ล่วงมาแล้วคือในตนเป็นอะไรเป็นอย่างไรในอนาคตคือในการข้างหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปตลอดจนถึงในชาติหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ยังรู้ก็คือไม่รู้ ในเรื่องของตนในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้วในอนาคตคือในการเวลาข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงดังกล่าวมักจะเข้าใจกันดังนี้แต่ว่าคำว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตในที่นี้ไม่ได้มีความหมายดังนั้น ดังจะปึ่งเห็นได้ว่าท่านแสดงถึงญาณคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจา้าในราตรีที่ตรัสรู้คือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ทรงได้พยานสามโดยลำดับในปฐมยามทรงได้อุเพนิวาสานุสติญาณความรู้จะลึก ขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือระลึกชาติผลหลังได้ทรงระลึกชาติผลหลังได้ไปมากมายพร้อมทางความเป็นไปในชาตินั้นๆตลอดจนถึงชื่อโคดสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาตินั้นๆทรงระลึกได้สืบต่อกันมาโดยลําดับ จากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้นเรื่อยมาจนถึงสู่ชาติปัจจุบันและก็ย้อนหลังไปได้มากมายในมัชิมยามทรงได้จุตูปปาตญาณคือความรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติเข้าถึง ชาต น, น, นั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่วมีทุกข์ทำกรรมดีไว้ก็ไปสู่ชาติที่ดีมีสุขในปัจิมยามทรงได้อศวคไหยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาศวะคือกิเลสที่ ดองกิตสันดานทั้งหลายก็คือทรงอย่างรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่อาวิชาดับไปหมดวิชาบังเกิดขึ้นหรือวิชาบังเกิดขึ้นอาวิชาดับไปหมดเหมือนอย่างความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตามพระยานทั้งสามที่ท่านแสดงไว้นี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า เมื่อทรงได้พระยาณที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีอวิชชาอยู่คือแม้ว่าจะเราทรงระลึกชาติผลหลังได้เป็นอันมากเรียกว่ารู้อดีตแต่ชาติและทรงรู้ความเคลื่อนในความเข้าถึงชาตินั้นนั้นต้องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกับ ด้วยพยายาณที่สองก็ยังมีอวิชชาอยู่จนถึงทรงได้ยานที่สามคือตรัสรู้ในอริสัตทั้งสี่อาสวะกินเดช ท, ที่ดองกิตสันดานสิ้นไปอวิชชาดับวิชชาเกิดขึ้นจึงทรงดับอวิชชาได้ด้วยพระยาณที่สามนี้เพราะฉะนั้นข้อว่า ไม่รู้จักคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตอันเป็นตัวอวิชชาจึงไม่ได้มีความหมายถึงไม่รู้ระลึกอดีตตชาติได้ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถึงอนาคตชาติได้แต่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ความหมายของการที่ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตอันเป็นตัวอวิชชานี้พิจารณาดูเทียบเคียงกับข้อจิตรัดไว้ในเทศนาครั้งที่สองที่ได้จรัดแสดงขันท่า ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโตต้นบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้และสิ่งใดที่เป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ร่องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่พึงเห็นยึดถือ เมื่อเป็นตัวเราเป็นของเราก็คือตรัสแสดงใจรักษณนั่นเองแต่ยกอนัตตาขึ้นเป็นที่ตังที่แรกแต่ภายในเนื้อหาของประสูนย์ก็เป็นอันว่าเลยแสดงใจรักไปครอบทุกข้อในทางที่เข้าใจได้ง่ายและก็ได้ตรัสรุปไว้ในตอนท้ายว่าขันห้า ทัท simulate, ทท้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่ดีทั้งที่เลวทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้ก็ล้วนไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดตามที่ตัดแสดงไว้นี้จึงเป็นอันว่า ทรงสอนให้รู้จักว่าขันห้าในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ตามก็เป็นอนิจจทุกขอนัตตาอย่างเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันระฉะนั้นข้อว่าไม่อย่างรู้จักอดีตอนาคต ไม่ยังรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตในข้อที่แสดงอวิชชานี้ก็จึงมีความหมายว่าอาริยสัตว์ทั้งสี่ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์กับในสายนิโรธความดับทุกข์ในสายทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทยัยในสายนิโรธก็คือนิโรธความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงขดใหถึงความดับทุกข์ อาณาจักทั้งสี่นี้ในอดีตก็คงเป็นอริยสัว์ทั้งสี่นี้ในอนาคตก็คงเป็นอาณาจักทั้งสี่นี้คือว่าในอดีตนั้นจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือว่าอดีตในอดีตชาติชาติไหนๆก็ตาม กี่สิกี่ร้อยกี่พันชาติในอนดีตก็ตามมากกว่านั้นก็ตามอเรียสัตทั้งสี่ที่เป็นสายทุกข์ก็คงเป็นสายทุกข์อยู่นั่นแหละสายนี้ด้วยความดับทุกข์เป็นสายนี้ด้วยความดับทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างเดียวกันในอนาคตคือข้างหน้าก็เหมือนกันเมื่อมีสมุ ท, ทัยก็ต้องมีทุกข์เมื่อดําเนินในมรรคก็ย่อมพบความดับทุกข์ คงเป็นสายทุกขสายนี้รยความกับทุกขอยู่เช่นเดียวกันไม่ต้องสงสยัยและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสงสยัยหรือไปคิดว่าในอดีตชาตินั้นเกิดเป็นอะไรมาบ้างที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างในอนาคตจะไปเกิดที่ไหนบ้างเป็นอะไรบ้างไม่จำเป็นเพราะว่าจะเกิดเป็นอะไร ก็คงอยู่ในสายทุกข์กับสายดับทุกข์นี่แหละมาแล้วหรือจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้าก็คงอยู่ในสายทุกข์สายดับทุกข์นี่แหละอริสัต์ทั้งสี่นี้เป็นกินเป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมะที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นอาการลิกโกไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนอย่างว่าโลกธาต ที่ทุกๆคนอาศัยอยู่นี่บางคราวก็มีฝนตกบางคราวก็มีฝนแรงปีหนึ่งปีหนึ่งฝนก็ย่อมตกลงมาในฤดูฝนหรือในฤดูอื่นไม่รู้ว่ากี่ครั้งหากว่าจะไปมวนนับว่าปีนี้ฝนตกกี่ครั้งปีที่แล้วมาฝนตกกี่ครั้ง ย้อนไปย้อนไปก็คงจะเป็นการรวมครั้งได้มากมายแล้วก็ตกที่ไหนบ้างตกมากหรือตกน้อยยังไงก็เช่นเดียวกับสตวโลกที่เวียนว่ายตายเกิดมาในอดีตเกิดมาครั้งหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็เหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในปีหนึ่งปีหนึ่งก็เช่นเดียวกับ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 ฝนจะตกปีละกี่ครั้งคอยนับครั้งในครั้งหนึ่งตกมากตกน้อยอย่างไรตกที่ไหนตกใกล้ๆกับว่าไปคิดว่าในอนาคตมันจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรเป็นยังไงก็นับไม่ถัวนอีกเหมือนกันและก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ดับเอาวิชาได้นั้น ก็เพราะในตรัสรู้ในกฎธรรมดาอันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมติติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความอนุแน่์แห่งธรรมเป็นตัวกฎธรรมดาที่ดำรงอยู่คือรวมเข้าในสายทุกข์กับในสายดับทุกข์เมื่อยังมีสมุทยัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดก็ต้องก็ต้องมีทุกข์เป็นสายทุกข์ ดับสมุทัยได้จึงจะดับทุกได้ก็เป็นสายดับทุกทรงได้พบกฎที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอันนี้คืออริยสัจทั้งสี่ก็เหมือนอย่างว่าความรู้ของคนในปัจจุบันนี้รู้เหตุที่ทำให้ฝนตกเมื่อรู้เหตุที่ทาให้ฝนตกได้ก็เป็นอันว่ารู้จักฝนในอดีตรู้จักฝนในอนาคตทั้งหมดเมื่อพนในอดีตที่ตกมา ทุกครั้งทุกครั้งนั้นก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ผลที่จะตกต่อไปในอนาคตกี่ครั้งกี่ก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุอันเดียวกันเป็นอันว่ารู้จักเหตุผลอันเดียวกันนี้เท่านั้นครอบไปได้ทั้งหมดรู้จักผลในปัจจุบันเมื่อผลในปัจจุบันนี้ตกลงมากับเพราะเหตุนี้ ผลที่ตกมาในอดีตกี่ร้อยกี่พันปีกี่หมื่นปีในอดีตก็เพราะเหตุอย่างนี้จะตกในอนาคตกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่พันปีก็เพราะเหตุอย่างนี้ด้วยฉะนั้นความตรัสรู้ของพระองค์นั้นจริงครอบเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดเมื่อยังมีสมุทัยคือดัญหาอยู่ก็ต้องมีทุกตั้งตนแต่ ชาติทุกข์คือความเกิดเหมือนอย่างเมื่อมีเหตุให้ฝนตกอยู่ฝนก็จะต้องตกตกมาแล้วในอดีตตกในบัจจุบนและต่อไปก็จะต้องตกต่อไปอีกเหมือนอย่างเมื่อมีตัญหาอยู่เป็นตัวสมุทยัยก็จะต้องมีชาติคือความเกิดเกิดมาแล้วในอดีตเกิดอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะต้องเกิดต่อไปในอนาคต ตราบเท่าที่ยังมีเหตุเมื่อดับเหตุคือตันหาได้ก็ดับชาติคือความเกิดได้ก็เป็นอันว่หยุดตกกันทีหนึ่งเป็นอันว่าในอดีตนั้นตกกันมาแล้วในปัจจุบันนี้ดับเหตุจะได้แล้วเหมือนอย่างว่าเป็นอันว่าดับเหตุฝนตกได้ฝนก็เป็นอัน่ไม่ต้องตกกันต่อไปในอนาคตอีกหยุดกันสกทีหนึ่งความจรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึงเป็นพยานที่ครอบโลกครอบจั ก, กรวาลครอบการเวลาทั้งหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเมื่อจะนั้นเมื่อยังเป็นอวิชชาอยู่ก็คือไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่เมื่อไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่เขเป็นอันว่า ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตและไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นอันเรียกปฏิจจสมุปบาทก็ย่อลงว่าทุกนั้นก็อาศัยสมุ ท, ทยัยนิโรดนั้นก็ต้องอาศัยมัชเพราะมีสมุทัยก็ต้องต้องต้องมีทุกขและเพราะมีมัช ก, ก็ดับทุกได้น็ย่อลงมา ซึ่งเป็นธรรมะซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปและปฏิชนุบาตนี้ท่านพระสาริบุตรก็ได้ดแสดงเป็นเทราธิบายจับแต่ชรามรณะโสกะเป็นต้นและจับเหตุแห่งชรามรณะโสกะเป็นต้นว่าคือชาติความเกิด อาศัยชาติคือความเกิดจึงเกิดชรามรรณะโศกะเป็นต้นแล้วก็จับเหตุย้อนขึ้นมาโดยลำดับจนถึงอวิชชาที่กำลังแสดงอธิบายอยู่นี่นี่เป็นธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งก็ล้วนเป็นอริสัตยสี่ที่จําแนกออกไปเป็นตอนตอนแต่เมื่อสรุปเข้าแล้วก็สรุปเข้าใน อริสัต์ทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรมธมรรต์นี่แหละแล้วก็สรุปเข้าในคาถาของท่านพระอัศจิเทระที่ได้แสดงแก่ท่านพระสารีบุตรเมื่อเป็นปริภาชกอยู่ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ขอให้ท่านแสดงท่านบอกว่าท่านยังรู้น้อยแสดงได้แต่โดยย่อ ท่านภาษาทีบุตรก็ตอบกเรียนท่านบาท่านภาษาทีบุตรเองก็ต้องการย่อยๆประโยชน์อะไรด้วยข้อที่จะต้องแสดงยาวๆท่านภาษาท่านท่านพระอัจฉิิึงได้แสดงเยธรรมาเหตุปะภวะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดหรือว่าเกิดแต่เหตุ เตสร้างเห้ตรงรัฐากระโตรัถาคดสัจเหตุแ ห, ห่งธรรมเหล่านั้นเตสังจะโยนิโรโทจากและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเอวังวดีมหสมโนพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ดังนี้จึงเปตินับถือว่าคาถาของท่านพระอัสสชินีเป็นคาถาที่แสดงหัวใจของอริยสัจ อันพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้จารึกคาถานี้ไว้ในหลักศิลาของท่านทั่วอินเดียในครั้งนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป